เรื่องมนตวาดผีคาถากันหลายตายตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภ พ, พโชติปัญโยครอบหน่วยพสรสิกสวัสดิ์ที่พัฒนมมองคนความพาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาโจมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจไฟในธรรมผู้สวยหาคุณงามความดีผู้ไฟผนไฟกุศลทั้งหลายโดยทั่วทันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ ซงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ทา่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวทานิกท้าปาฏกท้าธรรมอันเป็นคำสืส่อสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทา่านทั้งหลายทงมีความสนใจฝ่ในธรรมจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังนัง้นจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบฯฯฯฯัติกิจชีวิตประจำวัน เป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจในการดำเนินวิทีทางแห่ชีวิตของตนเองตามสมควรแก่เวลาอันจะเพลงเมืในวันที <c oughs> ้ทํานมกระทาในวันนี้เป็นวันพระอีกเช่นเดียวกันึ่งเวีมาบรรจบข้อบรอบ็กครั้งวนีอ้อาตมาก็คิดแล้วคิดเหล่าว่าจะเอาธรรมะฟอใได้มาเล่าให้ทั้งตาทุชนฟังเนื่องจากว่า การกิจการที่กําลังโค่นคมโลกเในปัจจุบันนี้มันมีปัญหาเมื่อกว่ า, ากากรกองทั้งที่ความเจริญร่งเรืองสิวิลไลแต่จิตใจคนชนะะ น, นี้จะเมืดอหมดอนตรากันอย่างนี้เพราะที่แท้จริงก็คือความขาดที่ขาดทำนั่นเองจิตใจคนได้เมืดอหมดแล้วทุกเสียงทุกอย่างมันก็จะกลายเป็ น, เ ป, นเป็นปัญหาไปหมดเลย เป็นอย่างนี้เมื่อโมหะหุมโรคตาสีหอนแห่งหุดแล้วกระันยำในเส้นขาดขอนว่ามีหู่ต่ำสูงภูมินักปะเจ้าสิล่งหอมความขึ้นสิบท่วยตามแผนแกนเดิมไม่เลต่างไม่มีที่ต่ำที่สูงเมื่อสิลธธรรมขาดแทนโมหะความลุ่มล้งเกิดเึ้นกันไม่มีผู้ใดตักเตือนแม้แต่ น, นักปะอาจารย์ก็พากันลงไปด้วยกัน เทโบราณเขียนไว้ยังฟุ้โลนักป่าเจ้าลงหมอมความขึ้นจะบทตัวตามแผนแกนเดิมที่เลยตังยังเมื่ออาจารย์เจา้าแปรสนศศศไปสู่สระแปดฐานทั้งเอกมูอาสละปฐมฐานเฮี่ยมหัตถบาตเพย่ญชนะเป็นที่จังะสมหาออกเสียงยังเมื่อดาวเสด็จใหญ่อังลงมาเถิดเมือ่อใดยนุกับผู ง, ง, ง, งมาขวกแปรไปให้เอิ้นว่าอันอันทะนะอันทะอันทะกาเลย ยามมืดเวลามืดอันตรการเลนันคเคองามคนใจบอดเมือนแปดด่านบันดิตเสือให้เห็นตรงเจ้าปัญญาเสียมแลลมคมคงเค่ส่องเห็นดีเหียมเป็นโพงเพิ่มสิ่งส่องขานิ่งเอาท้อนวันนั้นถ้าเกินคิดดูว่าทำไมมืดถึงมาแล้วอะไรอะไรมาก่อมองไม่เห็นมีแต่สิ่งเป็นเพษเป็นภยัยว่ากลัวกันไปหมดเลย ยมได้หลอในเสียงโซนขาสินงธรรมย่มนั้นโลกกากลวัวเคียงนตะลังตะลายหง่องทำเจา้าองค์พุโทโธเขียงมิลิ น, ล น, ลนดินและป่าแตงดาวกระเดิงง้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันกระทบกระเทือนกันไม่ไปหมดไม่ว่าจะเป็นเดินฟ้าอากาศลกขาชป่าป่าไม้โพเขาตลอดทั้งสัตว์วาสิงบินอยู่บนฟ้าปลาที่นอนอยู่ในน้าก็ดี จะกลายเป็นสิ่งที่เดือดร้อนไปหมดและจะเอาอะไรมาช่วยจึงบอกว่าดินและฝ่าแดนดาวกันเดืงหวยคนขาดสิ้งขาดทำจิตใจมืดมนต์อนท ก, การก็จะพี่พื้นไอโวนแซงเทปจะตุโลกหลงังล่วงลำซอยโบเขินพายบนผอมแทนหลวงเมฆขลาดต่ำลุมฝ่าแสนทางเทพประดามาให้สักไทยเทพผ้าทุกเทพมาซอยหนาวดึงขึ้นกาบอกื้นแต่แล้วไม่มีใครจะช่วยได้ ต่อให้พระอิศวนที่เป็นใหญ่แสนทีบแสนทวีปนึ่นะมีความยิ่งใหญ่อยู่ทั้งแสนทวีปควบคุมไปเจตุโลกบาลทั้งสี่เทพไทยเทวาแทนหลวงแมกขลาดกับลุงฝ่าแสนทางเทพพดาช่ ว, เเวยไว้ได้ทั้งนั้นมาเฮสัทไยเทพาทุกทิ ผู้เป็นหลักเป็นใหญ่เทว ด, ดาฟ้าเดินที่เป็นใหญ่จุดทุกทบีป ม, มากซอยหนาวดึงขึ้นบ่อขึ้นใดแล้วผู้ไปผู้ภาษาลาวไปบังภาษาไทยไปบางกองให้อภัยแทพเปิดเอ็นพ่อมเพี้ยนซอยใดบอ่อขันเป็นห้าปีน้องไล่เิ่มหอมทำทุกสัมสัมตัดปากขณะหนกหอมทั้งฟงุงผู้ปลาเต่าห้อยในน้ำลโคด้าวแบนพ่องไฟเดินผู้ใไงพลาแผ่นลานทะลายลมลาวเล่ ไม่มีใครช่วย ไ, ได้แต่ขาดสินขาดทำแล้วแม้แต่สัตวาวาสิงนกนุ่ปูปลาเต่าห้อยอยู่ในน้ำบนฟ้าอากาศต้นไม้ผู้เขามันจะถูกทำลายพ่นาศและนี่มันเป็นโลกไหลตายกันแล้วก็วาดกลัวกันที่สุดแต่ทำไมเราไม่ไปมองดูว่าขออาการไหลตายคือตายอย่างกระทันหันเนี่ย มัน ม, มากในหมู่มนุษย์พอเจอเข้าหน่อยหนึ่งก็ร้องจ้ากนะมันตีกลับมาแล้ววันนี้ก็เลยจะขอพูดถึงเรื่องมรตวาดผีคาถากัรไหลตายเองภาคสองเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่โตกันมากอีกแล้วแทนที่จะเป็นวันช่วงวันจะเลิกหาไปบางแห่งหนนะักข้ากว่านั้นไม่ได้หลับได้นอนกันแล้วพวกผู้ยขวผีแม่มใหม่จะมาเอาไปเป็นโพดีเป็นหยัง่งแต่เมียเมียใหม่ฮะ คนหนุ่มสาวขาดสินสอนมันแพงในเมียไม่ใหม่ดีทั่วเศร้าตายมีเฮงตายเศรามีเฮงเป็นยังไงแต่นี่หวาดกลัวเออนั่นน่ะนะคนเราขาดสินขาดทำก็หวาดกลัวกันอย่างนึ่นเมื่อมีความเชื่อมั่นในตนเองไม่มีความเชื่อมั่นในพ้นกรรมแต่หากเราทําดีคิดดีพูดดีอยู่อย่างนี้แล้วจะไปกลัวอะไรปารโรคก็ไม่หวาดกลัว ซองเมอเราเห็นนะคว่าคนที่กลัวหลายตายเป็นคนไม่ค่อยมีสินมีธรรมเป็นคนไม่มีทรัพย์ภายในไม่มั่นใจในการดําเนินชีวิตไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในบาปในบุญในคนในโทษไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในพระรัตนตรัยไม่มีศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองว่าตนเองได้ทําอะไรมาดีงามเพียงพอแล้วถึงกับพร้อมที่จะไปที่ไหนก็ได้เยอะที่ไหนก็ได้แต่นี่มันเกิด โลกประสาทคุกคามกันทั่วทั้งบ้านทังเมืองข้าราชการจะถูกย้ายก็เป็นโลกประสาทจะตายกันเิียเพียงแต่จะย้ายไปทํางานที่อื่นในหน้าที่เก่านึกวหวาดกลัวกันแล้วเพราะความไม่มั่นใจพอไปที่อื่นี่อยู่เย็นเป็นสุขอย่างนี้เหมมันจะโกงกินได้อย่างนี้ไมไหมอะไรต่างๆนี่จะถูกไล่ย้อนหลังอสอบสวนเออเทงอะไรสิ่งที่หม่ดีไม่งาม ทิ้งความรู้สึกเร็วๆเอาไว้เบื้องหลังหรือไม่เราเนี่ยมันมีแต่สิ่งหวาดกลัวที่จะจะย้ายไปทํางานไม่ใช่ตายนะแต่พูดถึงเรื่องตายก็ยิ่งหวาดกลัวคนที่หวาดกลัวในโลกนี้กลัวจะล้มจะตายหนึ่งก็คือกลัวในโลกหน้าอีกด้วยกลัวว่าตายไปแล้วจะไม่ได้เกิดกลัวว่าตายไปแล้วจะตกในโลกทํามั่นใจว่าตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์มีคุณงามความดีไว้พร้อมสวรรค์ดีกว่านี้หลายร้อยเท่าถ้าอย่างนี้มันจะอยากโยมไหม เมอเป็นสิยากร้ตายเงีเร่งเนี่ยบอกเฮ้่าวตายก่อนมูเขาคิวขันจีเดไปอยู่สวรรค์เหมือนพันเอกสนองไปเห็นยังวไม่อยากจะลงมาแต่นี่ไม่มีความมั่นใจไอ้ตัวความมั่นใจนี่แหละคือศรัทธาศรัทธาเป็นทรัพย์ภายในข้อแรกศรัทธาเป็นยาสารพัดอย่างคำว่าศรัทธา่าเพิ่งหลงไปถึงความเชื่ อ, มองมงายนะ ไอ้ที่เชื่อว่าผีเมีย่มยงไม่จะมาเอานี่กับศรัทธาเหมือนกันแต่ว่าศรัทธาไม่ใช่ศรัทธาของพุทธศาสนาเรียกว่าศรัทธาที่มงมงายที่มันไร้เหตุผลอันนี้เขาไม่ถือว่าศรัทธาในทางพุทธศาสนาเขาไม่ถือว่าศรัทธาดอกศรัทธาต้องมั่นใจในเหตุในผลที่ถูกต้องศรัทธานีดแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า confidence แปลปว่าเฟสเฟสพูดแต่เราก็แกเป็นเฟสก็มาเฟสพูดเลยความ เชื่อถือหนึ่งเป็นศาสนาอื่นทั้งนั้นเป็นคําสอนของศาสนาอื่นแต่ในทางศาสนาตน้องมีคําว่ามั่นใจไม่ใช่เชื่อธรรมดามั่นใจจะโดดลงไปในกองไฟเดี๋ยวนี้ก็มั่นใจถ้าหากจําเป็นจะต้องโดดเพราะว่าเราจะไปสู่สิ่งที่ดีที่หนึ่งวันนี้ น, mm hmm. นี่แปลว่า confidence ผู้ศาสนาเนี่ยแปลภาษาว่า confidence เปิดเปิดเถ้าใจบ่ดบก ก็จะเห็นสถานนี้เกลือนไปหมดเลยพาละห้าก็ขึ้นต้นด้วยศรัทธาอินเซียขึ้นต้นด้วยศรัทธาอารยมรรคมีอยู่วพวกอรีย์ทรัพย์ก็ตั้งต้นด้วยศรัทธาอริวัตธิธรรมารร ม, มนําไปรสงค์ความสําเร็จมืีแก่นมีสารในชีวิตก็เริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธายะสีเลนะจูภยังศรัทธายะสีเลนะปะวัตติปัญญาญะจาเนะณะสุตเตนะจูภัง พระพุทธเจาท่านว่าผู้ใดมีสถามั่นใจมีสิ่ ง, งการพปฏิบัติที่ถึงพร้อมรดับศึกษาในการสีสละมีสติปัญญาอยู่อย่างนั้นโสตาริโสสปุริโสวิจักคโนโบุคคลผู้เป็นสัพพุรุษเป็นบัณฑิตผู้เชียบแหลมเช่นนั้นอาหายาซาลมิเทวะอัตโนโบคุคคนจอมถือเอาตาละแห่งชีวิตของตอน ต, น, ตนในโลกนไว้ได้เดี๋ยวนี้ กะเจอกะเจอเพียงแต่เขาหลอกว่าผีไม่มองแม่ใหม่จะมาเอาไปเป็นผัวคุ้ยวิ่งทะเลทลายเต็มแรงเต็มกาพากันไปซื้อเอายาทาเล็บมาทากันแล้วตาเตยยกสงีผีมันจะ ม, มันงอปานนั้นบพราะบ่งจักทําไมไม่จึงหูวจักอย่างอื่นที่มันยิ่งไปกว่า น, นั้นเพียงแค่มันนุ่งผ้าถวงนอนอย่าว่าแต่ผีเลยคนธรรมดางองก่อนยังลูก โอี่เป็นผู้ชายทําไมจะไม่รู้ในที่มึงเข้ากันพุ่งหนักไปก็นั่งคออภัยวิเศษตาจังช่วงจับรุนแรงเดนิหนักไปแม้แต่อยู่ในวัดพระแทๆ้ๆก็ยันทาเล็บแดงๆย่านผีไม่ไม่ น, นั่นเห็นไหมละ่ะจะเอาใครมาเป็นที่พึ่งทางจิตทางใจพุงมุนักป่าเจ้าก็าลงหอมคว่ำขึ้นจุปดปวยตามแทนแกนเดิมไม่ได้ตั้งนะฮะ ไม่เชื่อเลยคําสอนพุทธเจา้าแต่กลับไปเชื่อข่าวลมลมแล้งแล้งข่าวคลอมลอยโอ้คนบอลานท่านว่าผีสร้างหายพกจอบจิ้นตับบอดทอขุนห้าลอนหลอกติงกันเท่สัน้นผีมีอะไรยังพวกยังพวกที่น่านกลัวที่สุดก็คือผีหลอกผีหลอกเป็นผีดิบยังไม่ท่านเด็กตายเที่ยวหาหลอกเอาเงินเอาทองเอาข่าวเอาของได้ยินข่าวว่าใครมีอะไรอยู่ที่ไหนจะอยู่ไก่อยูย่ใครจะไปติดต่อขอยืะอะไรอย่างนี้ ขอเช็คให้แต่ก็เป็นเช็คปลอมถึงเวลารับเงินไปเบิกก็เอาเงินไี่ให้เดีหาตัวเจ้าของเช็คเกาะไม่เช่นนีเช็คเด้งก็เป็นผีอีกชนิดหนึ่งออกจากพีดิบจำพอกนี้ยังมีผีดิบจำพวกอื่นนับไม่ถ้วนหลอกล้อกันก็พากันหวา ก, กันกลัวไปถากต้นไม้ยิ้วเอาต้ น, นิ้วมาทำเป็นท์หลบปลัดเช็คลอบอ ว, วัยวะเพศโอ้ย น่าอับอายสมเพจเวทนาคนศาสนาอื่นเขาเห็นคนไทยชาวพุเขาจหัวเราะเยอะนี่ช่างบ้องตื่นในทางสติปัญญากันเหลือเกินเฮ้อเฮอน่าสงสารอ้าวถ้ากลัวตายจริงๆก็ต้องรอฟังค่าทากันไหลาตายมนตกว่าะนี้คงจะต้องพูดกันต่อไปแล้วแต่ก็ขอเคลียร์พื้นที่ให้กระจักกระจักกันอีกสักทีหนึ่งจะให้อะไรมาช่วยเทวดาช่วยไม่ได้ ปลัดคลิกช่วยไม่ได้ทาเล็บแดงๆเขียนปากแดงๆเขียนคิ้วโกงๆใส่เสือ่อยกทรงดัดผมเพื่อผ่าทงคือสิน้นเมื่อไหร่ว่าไอ้ผีผีบ่ายยังน้อจะมา ง, งออกอกก็ะดกกรดียันตียา ก, กินกันกินได้เอรี่มันแม่นเนอรีมันจะมา ง, งอปานนั่นบ่อันนี้นะสงสารที่สดุดบางบ้านไม่ได้รับแต่นอนนัดกันไปตามมาคงปิงกิน โคบ่าอาจารย์พระสองฆ์องค์จากอยู่ในวัดว า, ห า, หารามทั้งหลายช่วยกันประกาศธรรมะของพระสาตสดาจุดตะเกียงให้แย่งแตงแจงหงส์ฟุงห ง, ง, ง, งบอดใบเขาโบหงศ า, างเขาจุดตะเกียงไหวคนตาดีจะเห็นหงศดอกหน้าว่าสันพูดอย่างนี้แหละคนตาดีจะรู้คนมีสติปัญญาฟังแล้วก็จะรู้เร่องนี้เราเกิดโลกขึ้นมาสองชนิดคือโลค โรภะโทสะโลกโลภะกับโลกโมหะเลิกอยากได้จะนอนไม่หลับกัดแกว่งกระวนกร ะ, กระวายก็เลยพากันเบียดเบียนจะเขาเล่าความจริงให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้มันกำลังเบียดเบียนเบียดเบียนธรรมาชาติทั้งพงไพ่ปลาเป็นตายเกี่ยงอาเกลอมก็น่า น, นั่นนึงนี่ซัดซิงเน่าอยู่หนำพากันดินดันตาย มันเป็นใปหมดทุกสัมสัมสัตว์ป่าขนาดนกผอมต้องฟุ้งปูปลาเต่าห้อยในน้าลูกโคด่าวแดนพงไผ่เทินพายใหญ่พับผู้ใหญ่พาแผ่นหล่านถลายหล่ลเล่าเลี่ยนในฝีมือของมนุษย์ไปทำลายป่าเขาลำนาไผ่จนนกไม่มีที่จะจับนอกจากนั่นก่อเพื่อสร้างความร้ร้อนให้แก่โลกจนปูปลาโยไม่ได้น้าเป็นพิษ มีแต่สารพิษอยู่ในน้ำมีตั้งแต่เอซิสเตรนมีฝนตกลงมาก็าเป็นพิษอยู่ในน้ำปูปลามันก็ไหลาตายแลนนี้ปาลาไหลตายเห็นไหมล่ะอยู่ดีๆ ก, ก็แดกก็แดกก็แดกขึ้นมาตายพวกที่ยังไม่ตายเป็นมะเร็งตายบาดตือเบือ่อชีวิลอยจะลอยเชลเล่นี่ปูปลาเต่าห้อยในน้ำพากันตายลุกโคด่าวแดนินไผ่พงเทิน ต้นไม้ต้นไหลพาก็ไหลตายดงควงใหม่นี้ไกบ่บ่อได้สั่งบ่อนยังห่วมห่องดงกวงเป่าแปนต้นไม้ก็ยังตายทันทีเลยไหลตายได้นี่มีเรื่อยเครื่องตัดกัง น, นอกจากนั้นเมื่อมันตายเข้ามาักมาผู้ใหญ่พาแผ่นล้านถ้าไหลล่มเราเรียนผูเขาก็ไหลตายหวาดแต่คนเลยเยอะดีดีขุดผูเขาเอาไปทางผูเขา ทางจนเตียนทำไร่ทำสวนทำให้ต้นไม้ตายก่อนที่นี่ไม่มีอะไรยึดฝนตกมาก็าชั้นล่างน้ำกรไหลภูเขาเปื่อยละลายเลยภูเขาไหลาตายบ้านกระทุ่นนคนรสีธรรมรัชน์ปักใต้บ้านเราภูเขาไหลาตายมาก่อนแล้วคนไหลาตายมันจะมีมาอยู่อย่างนี้แหละสมัยโบราณเราก็ตายกันอยู่แต่เดี๋ยวนะี้นักบวชจะตายมากจำไว้ใหด้ดี้มันมีเหตยุยธรรมมาเหตุๆๆทพวาซ้ำตั้งหลาย มันมีเหตุเป็นที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังแต่นิสัตว์ทั้งหลายเขาไหลาตายมาก่อนต่อมาต้นไม้มก็ไหลาตายต้นไม้ไหลาตายแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ไหลาตายเต่าพุงหอยปูปลาที่นี่ก็หลังจากนั้นภูเขาไหลาตายไม่มีต้นไม้เยอดฝนตกมาละลายอยา่างบ้านกระทูลของเราแหงไม่พอภูเขาแข็งแข็งภูเขาหินเจาะลงไปใส่ดินไดนามายระเบิดไดนามายเข้าไปช็อตระเบิดโตูม กูเขาแตกกระจายอ้าวรถตกัตกตักใส่รถดำสิ่งขึ้นไปใส่คัดเชอร์แผนโม่ออกมาย่อยออกมาเจาะหินฝนตลบกบตลาดเอาหินมาบดมาฝนจิ้นจินเอาดินมาทำปูนซีเมนต์ที่นี่หมดเขาเป็นลูกๆูปูนซีเมนต์ก็ค่าแคน ไม่มีไม้ที่จะทําบ้านทําช่องท่านก็พาการเอาดินคือเอาปูนทีเมนนั่นมาทําบ้านน้ำช่องปูนก็หมดขาดแคนทําไม่ทันเะมวันที่ภูเขาจะละลายไปฝุนตลบกบตลาดที่จ่อยปูนจ่อยฝุ่นอะไรต่างๆ น, น, นั่นลอยฟ่องกันไปในอากาศอ้าวพลังงานนิวเคลียสารดโูโตเนียมเอ่ยพลังงานพวกก๊สในอากาศก่อนในพวก น้ำมันต่างๆจากโรงงานอุตสาหกรรมจากถอดไอเสียของรถของเครื่องยนต์อะไรต่างๆมันจะไปไหนมันก็ลอยขึ้นเป็นรวมกันข้างบนก็รวมตัวกันเป็นเมฆตกลงมาเป็นฝนฝนก็มีแต่พิษแต่ภัยตกลงมาที่นี่ถือต้นไม้ต้นไม้ก็ตายไม่ต้องมีคนถางเดี๋ยวนี้ต้นไม้ในประเทศจีนที่เมืองฐานหินแถบมณฑล อเออสวนทางโน้นตายกันบานเบ้อเลยไม่มีใครทางต้นไม้ไหลาตายยังไม่พอในประเทศกรมอุตสาหากรรมในประเทศทะเลทรายทางซาฮาราทางประเทศมาลีไปนู่นไม่มีใครทางต้นไม้ไหลาตายยืนตายกันปเป็นเป็นแทวไปดูไม่ไกลไม่ไกลแค่โรงงานอุตสาหากรรมตรงไหนมีต้นไม้จะไม่งามละตรงไหนมีโรงงานเยอะๆต้นไม้งอก แล้วก็ไม่ค่อยเจริญนี่มันก็จะไหลาตายเหมือนกันอย่ามากล่าวอะไรทั้งก่อนเมื่อปูปลาต้นไม้อะไรตายไปหมดแล้วสัตวาวาสิ่งใหม่นีที่จะอยู่จะกินความร้อนในโลกสูงขึ้นความร้อนในโลกสูงขึ้นตั้งแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายของเรามันร้อนถึงขนาดนี้ไหมมันไม่ร้อนถึงขนาดนี้ความร้อนในโลกมนุษย์ี่ร้อนสูงขึ้นน้าร้อนก็จะยืดมากขึ้น เดี๋ยวนี้ประเทศอุต่ากรรมทางประเทศอเมริกาก็ดีทางประเทศกลุ่มยุโรปจะดีพากันหวาดกลัวภัยต่อความร้อนภัยของอากาศเป็นพิษนอนตายนั่งตายยืนตายไหลตายพรั่งมั่งค่าก็ไหลตายเหมือนกันตายจากโรงงานอุตสากรําตายเพราะความเครียดเต็งกําไรปารถนาที่สุดนี่แหละภาคอีสานของเรามันร้อนกว่าภาคกลางร้อนกว่าภาคใต้ปัญหาใหญ่คือหนึ่งอากาศ เป็นทิษสองสภาพแวดลอ้อมเป็นเพิษความร้อนของกายในร้อนขึ้นมากแล้วความร้อนของใจเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเพราะความอยากอยากอันเกิดมาจากความโลภโลโภทำมานังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแห่งทำตั้งร้ายเหมือนอยากได้อยากมีอยากเป็นก่ออยากเด่นอยากดังก่อทะเยอทยานลหล่อแหลนดิ่นร่นยื้อย่างตะแคงเฮอยากได้สิ่งนั้นมาอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้ เต้นตนโยนไปเมืองนอกเมืองนาอพอจะไปได้ไปเอาไร่เอานาไปจำนองเป็นหนี่เป็นสิ่งก็อยอมเราชอบเสียงไปตายกันเอาดับน่าในคนไทยเราชอบเสียงกันอย่างนี้คนอีสานเราชอบเสียงกันอย่างนี้หลังจากนั้นอามันไม่ได้ดังใจการทํางานหนักหนักที่เคร่งเครียดตลอดการทางตายคิดใจก็คิดหนักทํางานหนักทางคิตทางใจ ทำยังไงจะได้อย่างนี้ทำยังไงจะมีอย่างโ น, น่นเป็นนี่เป็นสินถูกบีถูกค้นเงินหนักทางกายงานหนักทางใจที่มันคิดนอนก็แเเบจะไม่หลับพลิกไปพลิกมาพอจะหลับไปได้บางทีหลับล้าไปเลยยิ่งได้ข่าวว่าผีแม่ไม่จะมากินหัวเขาไปอีกยิ่งกลัวจะตายจากโรคจะเมียจะตายจากสิ่งที่ตนเองรักหึงหวงเกิดโรคอุปทานซัมซอนแอทแทสแอทแทสดิซิสขอพูดเป็นภ า, าษาฝรั่งหน่อย ในวรรคความยึดมั่นถือมั่น เกินโอ้ยตายขักขักบาดหนิ่งย่านตายคิดไปคิดมาเป็นกระบวนกวายจิตใจตกต่ําเกิดโรคแทบซ่อนเลยว่าโรคทางใจเจตสิโกโลโกโลกทางชิตที่ก็มาควบคุมเข้ามาอันเป็นผลมาจากโมหะอันเป็นผลผลของอวิชชาก็เลยเกิดมาเป็นความดิบมันเถอะมันว่ามันจะมีอีนเห็นอีนี้พี่ไม่ไม่จะมาเอากูขักขักบาดหนึ่งกูบอนอนหัวมันดอก ที่ไปพีกมาม่อยหลับไปฝันเห็นแม่่ม่าเมาเอาเอไหลจะตายมีคนปลูกขึ้นมาฟื้นก็มาบอกกันต่อไปมาเฮิรนมาดึงขาคอยแล้ววจนันนะวาถ้ากันยานเบิดบ้านเบนเิดเมืองบาท น, นี้เอาประทานใหญ่ขึ้นควบคุม <c oughs> คนโบราณันว่าตื่นงวตื่นควายรั้งกันไว้ตื่นประชาชนประยแบบกระต่ายตื่นตูมจอมปวกจอมเดียว ที่ม้ากองเดียวถ้าใครไปเกิดกลัวขึ้นมาหาักดอกไม้บูชานะคนี่ก็บูชาคนนู้นก็บูช า, บบช า, บบชาเรียกว่าพลังงานทางจิตพลังงานแห่งความเชื่อมันได้ไปรวมกันอยู่ตรงนั้นถ้าเกิดมีใครสักคนหนึ่งเดินผ่านไปไม่เชื่อไม่ทําไม่ทําตามเชื่ออยุ่ไม่ทําตามแต่มีความหวาดกลัวเรื่องเลือาจจะชักดิ่มชักงอตาตั้งขึ้นมาเพราะอุปทานภาษาพักเรียกว่าอุปทานอุปทาน อุปาทานนี่เราเป็นตัวทุกข์ปัญจุปานาขันธาทุกข์ขาว่าที่จริงขันละห่างอุปาทานคือตัวทุกข์ทำไมมีอุปาทานหมดกเกล็กหมดความทุกข์ไม่เป็นเจ้าของความเป็นความตายอะไรเลยพระพุทธเจ้าว่าชาติที่ปีทุกข์าจะลาปีทุกข์ามรณะน้ำติดทุกข์าโสกับปริเทวะทุกขาโทมรุสุปายาสาปีทุกขาความเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ ตแต่เกิดแก่เจบตายเป็นทุกข์ผ่านผ่าจากสิ่งที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจก็เป็นทุกข์ปัจจุนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นอนเป็นนิเป็นสิ้นใช่แล้วท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้ยังมาเป็นทุกข์ตัวใหญ่มันอยู่ น, นุ่นปัญจุบันนาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้งห้าขันธ์ก็คือกลุ่มของกายกลุ่มของความรู้สึก เวทนานั้นกลุ่มของความจำได้ไม่รู้ความสำคัญมั่นไหมกลุ่มของความคิดปรุงแต่งกลุ่มของความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจรวมกันเรียกว่าห้ากลุ่มห้าหันคันไปว่ากลุ่ม the five group of aggregate กลุ่มของสภาพจะมันเป็นอย่างนั้ น, น, นคือพูดง่ายยอ่อลงมาแต่ตายกับใจ จิตมันเข้าไปยึดอุปทานยึดในกายนี่ยึดในใจยึดในความรู้สึกนึกคิดยึดในความปรุงแต่งว่ามันจะเป็นอีหลีอุปทานนั่นคือความเจตมัน่นภาษาไทยว่ายึดมัน่นถือมัน่นภาษาอังกฤษว่า attachment ขออภัยว่ามันหลายายภาษาอันพวก น, นี้เนี่ยมันมากินหัวมันก็เลยเป็นทุกข์กันแหละถึงถนาก็ว่าจะให้งูพิษ กัดตายนักโทษที่ถูกจับไปให้งูพิษมันกัดตายก็เลยเอาน้ําไผ่ไปเสียบจับเข้าไปในหัวเท่านั้นเองมันสลบมันตายไปเลยอ่อนเข่าไปเลยนึกว่า ง, งูเขา ง, งูตรงอ่างจริงๆอันนี้ก็คือกันย่านหลายนอนบลับกระสับกระสายหลับตาลงไปก็เลยฝันเห็นแ ม, ม่ใหม่หรีว่าผัดหวังสมารถตายดีแท้ภาอีสานเราจะต้องร้อนกว่าภาคอื่นความร้อนของโลกได้ส่งขึ้น ไม่มีป่าไม้ที่จะให้ความชุ่มเย็นในเวลากลางวันไม่สามารถจะดูดซับเอาน้ำให้เกิดความชื้นในอากาศได้อากาศก็หม่มีวิตามินนอกจากนั้นฟ้าผิศต่างๆที่ลอยและล่องยอยในฟ้าตกลงมาเต็มนี่เป็นฝนเนี่ยมีพิษมีภัยกันทึงนม้นนับวันที่มนุษย์จะไหลตายกันไปจํานวนมาก เคยจะตายอย่างกระทันหันคนโบราณต้นว่าเสียขอนขอนเขาสามหอมโพซีอันนี้แหละเป็นเครื่องวัดคนมีศีลมีธรรมกันขนาดไห้ถ้าคนมีศีลมีธรรมไม่มีทางที่จะหวาดกลัวเรื่องไร้ตรงไรงไ้ตายผีแม่ใหม่ผอมใหมยต่อให้พอไงไม่ไงผีแม่ใหม่มาหมดทั้งครอบครัว ก, ก็จะไปกลัวอะไรมันใครไม่ข่าก็ต้องตายชีวิตตั้งปริโยมาแลนังปริโยสานังไม่ชีวิตตั้ง ความตายชีวิตของเรานี่มีความตายเป็นที่สุดรอบจะตายเร็วตายช้าตายหนุ่มตายเท่าจะไหลตายหรือตายสดตายแห่งหมันตายด้วยกันเรื่องๆเข้าใจอย่างนี้ก็จะไม่ตื่นตไม่กระวอกกระแวกโอ้ยอันนี้เป็นขวบแพร่แวกตื่นเพราะความไม่มั่นใจไม่มั่นใจในบุญที่ตนเองแต่ทําเอาไว้มีแต่ความหวาดกลัวต่อบาปอกุศลทําอันลาโมกตายไปแล้วกูจะตกนรกขุมใดเนอะ ขยันตายไม่มั่นใจถ้าเราทำบุญทำทานมาแล้วถึงเมียอูนี่ห ล, ลกนี่แต่ตายไปแล้วก็จะพบกันบนทุกสวรรค์เพราะเราได้ทำคนงามความดีร่วมกันมาอันนีบ้บ๊วยบอได้ทานำกันจากเธอสิ่งที่ดีที่งามก็หวากลัวตอมาไม่มีซีนไม่มีความมั่นใจทับภายในเห็นไหม ถ้าภายหนอกมีเงินมีทองเข้าข้องเงินคำกเกับแก้ยวยามไหลตายมาช่วยอะไรไม่ได้โว้ยเสือว่าพญามาัจจุราชนี่เห็นแกมม่เงินคำไทยพมิงเงินเกลือสิไทยเอาบะมี่ได้แข่งลยสมองคงเต็งมาตําทินนี่บปไทเอากันตายได้บ่แค่ายาทาเล็บจะเอามาทาไว้กันตายอย่างนี้มันจะใช้ได้ที่ได้ๆๆๆๆนี่อยากให้ท่นานทั้งหลงายได้เข้าใจเสิ่งเหล่านีไว่มากมา พระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสไว้ว่าบุคคลผู้มีสินย่อมไม่เกิดวิปัสสานวิปติสารคือความเดือดร้อนใจเมื่อภายหลังอะไรอะไรจะเกิดขึ้นบุคคลผู้มีสินไม่เกิดคนผู้ไม่บุคคลผู้มีสินนั้นย่อมไม่เกิดวิปติสารคือไม่เกิดอาการหวาดกลัวเดือดร้อนใจพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าอัน น, นส้ทรงของสินนี่มีจำนวนมากในขณะที่ท่านไปเดินทางผ่านเมือง หมู่บ้านปาตลีคามบ้านปาตลีคามเล็กๆโยชายฝั่งแม่น้ำคลองขาชายแดนติดต่อกัอนระหว่างโกศลกับแควนมคตท่านพระภิกษุสามนเณรเดินทางเรื่องว่าวัดเขื่อนที่ 1, พ 1, ันเจ็ดร้อยพระพันสร้อยห้าสิบรูปคนผู้เดินตามประพฤติ ท, ทำกินเดนคือกินเศษอาหารจากพระแล้วก็ทำความเพียรต่อเมื่อออตมาภาญาติยมเป็นพันพัน ไปปฏิบัติทำปฏิบัติการวัดเคลื่อที่เมืองอุบอนนั่นแหละไม่ผิดกันแต่ท่านเดินเอาเรามันได้ขี่รถบาสไปถึงบ้านปาตาลีขามพระกําลังสร้างเมืองใหม่พระพุทธเจ้าก็เลยล่าพิสดาทั้งหลายตรงนี้ต่อไปจะเป็นดินแดงที่จเจริญรุ่งเรือง เ, เ, เป็นที่นั่งลองแก่พกสินค้าของพ่อค้าทั้งหลายจะเป็นฮา์เบอร์ทาวเวอร์ภาษาฝรั่งจะเป็นเมืองท่าที่ยิ่งใหญ่ ต่อไปจะเป็นดินแดนที่จเจริญรุ่งเรือง ม, ม, มากที่สุดเมืองนี้อย่าเป็นราชธานีต่อมาก็จะเกิดอาการเสื่อมเพราะน้ำเพราะไฟเพราะลมที่นหนาแนงจากไม่มีสินทําแตกสาเมื่อขีกันและท่านจอธิบายเรื่องโทษของสินบัตรผู้คนที่มีสินบัตรอยู่ด้วยกันมากๆไม่มีสินด้วกันนั้นจะเกิดอุดพภัยน้าท่วมจะเกิดคีไฟไฟไหมวาตะไผลมพัด แล้วก็จะเกิดความแตกส้ามันขีกันพร้อมกันนั่นทรัพย์สมบัติเขาเหล่านั้นจะพินาศเพราะไฟพินาศเพราะลมพินาศเพราะน้านําหลังจากนั้นตัวเขาเองก็จะมีอาการต่างๆแล้วท่วานก่อแสดงคนข่าของสินสม บ, บัติบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยสินทรัพย์สมบัติเขาจะไม่พินาศด้วยน้ําโด ย, โดยไฟด้วยลม แล้วก็จะเป็นผู้มีความสุขก็จะเป็นผู้มีความสงบเยือกเย็นสีเลนสุขติงยันติจะมีสุขได้เพราะสินสีเลณโพค่ะสัมปทาพอคะทัพย์สมบัติไม่พินาศก็จะมีขึ้นหลงจากนั้นสีเลนนี่พู้ติงยันติจะเย็นกายเย็นใจรอเพราะศีลจะไม่มีอาการล้มทําการละไม่มีอาการหลาตายนี่อำ น, นาจของศินเดียนี้โดูเถิดคนที่หลาตายมีสินไหม ลองสอบถามครบคอบครัวบุคคลผู้ที่ไหลาตายสิ่งคืออะไรสิ่งคือความปกติปกติกายปกติใจปกติวาจาอันนี้พอ ว, ว่าแผลใจไม่ปกติย่านตายก่อนมูได้หรือเนื้อสิ้นหนีกระ เ, เจิงซึ่งเมากอคนจะผู้ผู้ที่ไหลาตายกลัวตายหนึ่งมักจากวัดบวกเข่าพระเจ้าบวรนอบญับนเป็นย่านติ บางทีที่เข้าไปในวัดก็ได้แต่ความโง่โง่คือไม่มีความก้าหนา้าทางสติปัญญาสเพธรรมาปัญจุตระทำต่างหลายมีปัญญาเป็นยอดศีลอยู่เนื้อทานเนื้อศีลขึ้นไปมีสมาธิเนื้อสมาธิือ่อนไปมีปัญญาเด๋ยน้โผลถึงสมาธิก็ไม่ยิงงย่งไกลห่างหย่ดไม่เคยทำเรื่องปัญญาก็ยิ่งไม่รู้เรื่องอีกปัญญาที่รู้จากสมาธิไม่่ปัญญาจบปริญญามา จบสิบปิญญาอาจจะยังโง่ก็ได้คือคือความรู้มันเพิม่มฟังไฟมันมืดโดยทำกลางความสว่างก็ได้แต่ปัญญาอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่นพระอรหันต์สมัยโบราณอ่านกอไก่เท่าของปั้นกระ บ, บดาดดอกเป็นพระอาเซขะบุคคลผู้พ้นจากการศึกษามีความรู้ที่พอดีสำหรับดับทุก มีความรู้ที่พอดีสำหรับทำลายความยึดมั่นถือมั่นมีความรู้ที่พอดีสำหรับที่จะมองเข้าไปเห็นอันนี้จังทุกขรั้งอนัตตามีความรู้ที่พอดีโดยไม่ได้เรียนที่เห็นฉันว่าอันนี้คือทุกอันนี้เหตุให้เกิดทุกอันนี้ความดับลงของทุกในหนทางปฏิบัติเพื่อดับโทษ พวกคนเหล่านี้เป็นพระ อ, อรหันต์พระอาเดียะเจ้าเลยสมัยพุทธกาลท่นานอ่านหนังสือไม่ได้เดก็กเดี๋ยวนี้อ่านได้ภาษาอังกฤษภาษาจีนโอ้ Speak English เลยกูพูภาษาฝรั่งกับเก่งพูวภาษาไทยภาษาจีนได้ทั้งนั้นแต่กิเลสมันทั่วหั้อ โ, โลภโทสะโมหะอ่านนี่เลยผมมืดทํากรรมความสว่างอันโทยทาโชติมัทิตะเฮยะ เมื่อขาดตาปัญญาที่ถูกต้องกย็ยยบลงไปแม้ไฟที่สองทางป่าปานิกรรติโมหาทําชั่วทําบาปกันเพราะความโนะง่ในชคือสก็เดือดร้อนตนเองไม่มีสินจิตใจไม่ปกติกลัวสิ่งที่ตนเองทําไว้ในโลกนี้กลัวจะไปตกนระกในโลกหน้าอย่างนี้ก็ยิ่งหวาดกลัว กลัวตายนั่นนะคือกลัวไปจะไปอยู่ในที่ไม่เีวไม่งามแต่ทําทคุณงามความดีมันมีศีลมีสถาบมัม่นใจไม่เป็นผู้เน่าในเปียกแฉะบนเน่าในเปียกชื้นอันนี้คิดไปทั้งคืนทั้งวันมองไม่เห็นสิ่งที่เน่อผ้ภาภูมิใจที่ได้เกิดมาทําอะไรไว้แก่โลกแก่ซึ่งคมแกบ่บานแกนน่เมื่อแก่เพื่อนแก่ฟุ้งหนังคิดนอนหาหาคุณงามความดีในใจตนเองไม่มีมีแต่คุณงามความมีแต่คุณเลวความชั่ว ที่ไปมกยานตายเลี้วเว้ยเป็นยังสิบวย่ญานยิ่งกลัวตายก็เกิด อ, อุปทานแอทแทสเกิดมาฝันเห็นแม่ม้เลยบาทเนี่ยมาดึงแขงถึงขาเออเออเ อ, อหม่นี่ท่านจึงกล่าวว่าคนเราขาดศีล น, นี่นี่พระพุทธเจาตรัสว่าเมื่อขาดศีลแล้วก็จะเกิดวิปัสิษฐารเดือดร้อนทรัพย์สมบัติจะพิื่อไปเพราะไฟเพาะลมเห็นไหมชิงขาดขอนว่มีหุ่่งต่ำสูงห้องทำเจ้าองคุฑโทเกี่ยงมินลิง คนโบราณท่านบอกอย่างนี้เนีเมื่อสิ้นขาดขอนว่ามีหุ่นต่ําสูงว่าสันเนี่ยมือโมหาหุ่นโลกาสิขอนแห่งหุ้นเลี้ยวว่าสันนี่ยมีสิ้นขาดขอนว่ามีหุ่นต่ําสูงสิ้นขาดไม่มีรู้ต่ารู้สูงรู้บาปรู้กรรมต่างบริษัทก็มาส่งคนงานไปทํางานมันจะเป็นจะตายยังไงกูไม่รู้คอยกูได้เงินมาจากมึงไงมันไม่ปกติทางใจแล้วมันจะเอากัน เป็นเจ้าเป็นนายขึ้นมาก็จะจับจาจองผิดนิดผิดน้อยกินให้มากๆถ้าจะมีทางกินถ้าเขาเงินฟาดก็กลัวเว้ยผิดผิดไปโล ด, ดบาตรเอาเงินมาให้คอยซ่บ้าหายแนย่สินขาดก่อนบ่านี่ห่ต่ำตนักป่าเจ้าก็ลงห้อมคว่ำิดสีส่ ต, ตัวตามแผนแกนเดิมวินายตั้งวินใยไปว่าระเบียบระบบไม่อยู่ในระเบียบระบบกฎบทกฎหมายไหนเลย เป็นเจา้าเป็นนายก็ตามเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์องค์เจา้าไม่อยู่ในระเบียบวินัยขอให้ข้าพระเจ้าได้ขึ้นมาในเรื่องว่าศีลความเป็นปกติแห่งใจแห่งตายมันไม่มีขึ้นมาในนี้ผมก็หวาดกลัวพอได้ข่าวร้ายว่าตนเองจะตายมม้จะยิ่งหวาดกลัวทีนี่ก็พอดีเลยเป็นกระต่ตายเตือนตูมเขาเอาอะไรมาหลอกมาหลอกก็ต้องเอานี่แล้วข้องทำเจ้าองค์ปุทุทอเกี่ยงมิลินดินในฝ่าแดนดาวกาเดืองงวยแล้วจะทํำยังไง ดังกล่าวแล้วยิ่งมีความโลภมากก็ยิ่งมีโลกต่างๆมีความโลภ ก, ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตสิ่งก็ขาดแขนคํายังไงจะได้ทํายังไงยังมีเอารัดเอาเปรียบกันยังไงอ่อนรวยเอาเปรียบคนจนคนเข็มแข็งเอาเปรียบคนอ่อนแอเจ้านายที่มีอาิุธศีลที่พลอำนาจโอกาสว่าสนะเอากินเอาเปรียบฉอหลาดบางล้วงเงินพันเงิน อะไรออกมากส ช, อชอเอยอร้านเหี้ยวอะไรเ อ, ย, เอยออกมาทํายังไงคะ่ะบัาเจ้านี่จะได้เปอร์เซนต์เท่านั้นเปอร์เซนต์เท่านี้เปอร์เซนต์กินมันเข้าไปเหมื่อกินเข้าไปแล้วปัญญานตายบาป เจ้านายบ่เห็นผู้ลัางผู้ใหญ่บ่เห็นญาญยมพระบานเห็นญาญผีแม่ไม่เห็นโอ้ยดีเวมาบีบกันทันอย่างนี้แต่ก่อนเาจมาไปเทศในคุกเมืองหนองคายโอ้ยคนตั้งสี่ร้อยกว่าคนผู้ชายทั้งนั้นหัวเป็นจิมจิมหน้าสลอนผู้หญิงมีอยู่สิบสามคนสิบสี่คนแต่บัดนี้มาดูที่วัดที่ว่ามีแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยมีเดียวนี่ผู้ชายญาญตายหัวจักขวัดไว้งาบงาบงาบนามถ่วม ทงจึงเห็นหนา่าหนูโห่นนําท่วมหูจึงเห็นหนา่าจีรอก็ดีเหมือนกันกลัวจะตายแล้วก่อเขาวัดก็ยังดีก็กลัวจะตายและถ า, า, า, า, ากลูกปลัดเคกเดียวนี้เอาหมดประลัดเคกก่อเอาเล็บแดงก่อทายกซงก่อใสผมก่อดัดสิงก็ใสเอาเขาวัดก่อเขายาได้ได้ไดได้ายสิ้นเอาแล้วมาที่วัดนี่ขอให้เป่าหัวให้แน่บอกเป่าว่าเป็นไม่ได้เรียนมนเป่าหัว ไปเปิดพระตไตรปิฎกสองหมื่นหนึ่งพันเก้ารยี่สิบกนไม่มีคาถาเป่าหัวตรงไห น, นไม่มีคาถาจิมคาถาเจิมตรงไห น, นไม่มีคาถารถน้ำมนันพ่นน้ำมันสักกะมอมเซกะบ้านตรงไห น, นแต่เรานีนอุต ร, ริวิฐานหาทานจะกินหัวกันเอาไปเอามากระยานตายนํากันพระสงฆ์องค์เจ้าบางแห่งทาเล็บแดงทาปากแดงแจว้วาถึอใจนั่หล่นเลยก็มีปุ้วไปกันไ่สติ ป, ปัญญาตื่นเคิรนกันเหลอเกิน เดี๋ยวนี้จะขอบอกให้ทราบว่าอย่าว่าแต่ประเทศไทยเลยเมื่อบันขาสินเมื่อมันมีความโลภมันก็เอาเปรียบกันเมื่อเอาเปรียบกันปน้ำก็เกิดขึ้นเอาขอซอยให้ฟังสักนิดหนึ่งว่าเมื่อขาดสินและทรัพย์สมบัติจะพินาศเพราะไฟเพราะลมเพราะน้ําไฟภายนอกไม่เท่าไร่ไฟภายในน้ําภายในลมภายในที่จะทํำให้ทรัพย์สมบัติพินาศ ผู้ไม่มีสิทธไปกินเหล่าน้ําเหล่าก็จะพัดเอาเงินเอาทองของท่านเมาแล้วหน้าใหญ่ใจโตเป็นเจ้าเป็นนายเนี่ยไปนั่งกินในคับในบารในพัตตคารเงินเดือนออกหมื่นเดียวหมืดเกี่ยงแงะละยี่สิบเก้าวันกินไหนโกงบ้านโกงเมืองอ่ะเห็นไ้มเอาแล้วโกงบ้านโกงเมืองินอะไรออกมาเงินพันเงินอะไรออกมาหาทางกินเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์กินแล้วก็มาซื้อเหล่ามาชาแทนที่จะตั้งรักตั้งตัวอ้าว ถิงจากเครื่องกลของทางส่วนล้วงส่วนรัดเอามาใช้ในงานส่วนตัวให้มากๆแล้วก็ยานตายนี่จิตใจมันไม่ปกติมันไม่สุดจริตมันก็ไปสู่ทุกขติจิตใจเศร้ามองจิตเตะสังกิริเททุกขติปฏิกังขาเหมือจิตเศ้ามองแล้วทุกขติเป็นอันต่องหวังทุ่แปลว่าชั่วคติแปลว่าไปแปลว่าถึงทุกขติแปลว่าไปสู่ที่ชั่ว ไปสู้ที่ยากไปสู้ที่ลําบากตนเองทําไว้ไม่นี้จิตใจมันก็เสรามองนอนก็ไปที่ชั่วยืนก็ไปที่ชั่วเดินก็ไปที่ชั่วนอนทุกหนังทุกเนอเดินทุกเองเนอนตายทุกยังไม่ทุกก็ต้องยังไม่อะไรมาถึงก็กลัวตายเวลสก่อนเลวว่าทุก่วงหน้าทุกฟรีฟรีฟรเห็นไหมไม่มีสิทธิรับย์สมบัตมันจะพินาศไปเพราะไฟไฟอะไรไฟภายใน ไฟภายนอกจิตใจมันร้อนร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเผาจิตเผาใจให้แสดงอาการออกมาให้เป็นทุกข์เห็นไหมทรัพสมบัติคือความมั่นใจทรัพย์แปลว่าความปลื้มใจภายนอกปลื้มใจภายในภายในก็ไม่มีสิ่งที่จะปลื้มใจเพราะว่า ตนเองทําไม่ดีไฟมันไหมหัวใจซะและ้ว ไ, ไ, ไฟไฟภายน่องเอาไฟบุหรี่ไฟกัญชาไฟยาปินคนไม่มีสินไปเอาสิ่งเหล่านี้มาโสมาแตบไหมหัวหมอดเงินทองมีเท่าไหร่ไม่พอขอพ่อขอแม่ไม่ได้รักเอาของพอ่อของแม่รักของชาวบ้านใช่ไหมไฟบุหรี่ไฟกัญชาไฟยาฟินที่โสกันเข้าไปนั่นแนหะละลูกโสมันไหมหัวข อ, ขอพอ่อ ห, พอหอดแม่พ่อแม่นอนหลับลักเอาเงิน เ, เ, เอาทองพ่อแม่ไปซื้อ กาไปคือเทนเนอร์ไปคือยาปินเหรอไปคือบุรี่สุขไปอย่างนั้นทรับสมบัติพินนาไปพรน้ำน้ำเหล่าขวดละทลายกอกิ้งแหงเทลายก็ซื้อนาใหญ่ใจโตซื้อแล้วไหม่กลัวใครทั้งนั้นกินแล้วก็โผล่ลามตามีเรื่องมีเล่าครับรถจะชนกันตายชนเสาไฟฟ้าตายคนดีๆเมาเล่าทำลายสติตนเองครับรถไปเห็รถเหยียบหัวตายชนกันตายหางใหญ่ต่อใหญ่ตนเองวิ่งเป็นเจ้าถนนคนเดียวอย่างนี้ เมื่อมีสินไม่มีแล้วมันก็ทรัพย์สมบัติพินาศไปเพราะลมลมอะไรลมพายหนอ่อควัดบานพัดช่อ ง, ห, องห้องห้องเหมือไม่มีสินทําลายป่าธรรมชาติรุนธรรมชาติต่างๆตดเน่าลําคลองเหือดแห่งความร้อนของโลกสูงขึ้นลมก็แปรปวนพัดไป ท, ไดทั้งนี้ก็ไปทั้งนน้นก็ไปเป็นลมเลาวีลี้ยงกันไปนอกจากนั้นยังมีลมภายในลมปากของคนอาสิงคโปรอดีเขวาวหาเงินได้ง่าย ที่ซาวดีอาระเบียดีก็พากันไปลมพัดตรงไหนไปเร็วศีลบังไหวน้าใสบ่หันเห็นเส้นขื้นสายโกงธนูแห่ไหวใจเร็หล่อนท่อนกำลังเสื้อเปอ่าแต่หอกเจ่าว่หัวหูโมกาเล่นเอาไห่เอานาไปจำนองถูกลมหลอกลวงเขาพัดเ ป, cimento, เป่าหูเป่าหางอ้า ว, <ๆ>าวเดยวประเทศอีรักเดิประเทศอีรานดีอ้าวเดิมลิเดียดีเดิมอประเทศรูมานียประเทศ อะไรว่ากันไปไม่เคยได้ยินก็ไปเอามันหลอกมันลวงนี่ก็จะไปเกาะกลว่มกันนี่เป็นอย่างนี้มันก็ถูกลมหลอกรวมพัดไปอ้าวเดี๋ยวอาจารย์โน่นดังเป่ามาแล้วเลขดีเลข เ, เด็ดอ้าวพากันไปซื้อซองเลขมาซื้อบุกปลาพาเขาขึ้นโดงขึ้นโอนฮักคุบา้าอาจารย์ไปหาลมหลอกลวงมันพัดหูยาวกันไปเป็นโยดโยดแล้วก็เช็ดพายวายวอดกัน หาความอบอุ่นเย็นใจไม่ได้เพราะไม่มีสินเมีเดือดร้อนเมี่ยไม่มีสินเพราะเดือดร้อนลูกไม่มีสินไม่มีความปกติกายใจเพาะแม่เดือดร้อนสินขาดขอนว่มีหงต่าสูงเห็นไหมใครจะมาช่วยเทวดาฟ้าดินอะไรก็ช่วยไม่ได้พระเจ้าพี่เพื่อนไอซ์้นแสนเตีบจะตุลกหลังล่วงลําซอยบ่อขึ้นถ้าหากเราไม่มีสินไม่มีธรรมความโลบ จนเกิดไม่มีสินเอารถเอาเปียบร่ำรวยแข่งกันมีเท่าไรแข่งกันเ อ, อิดเกิดอาการแข่งแกร่งเด่นชิงดีชิงเด่นประเทศญี่ปุ่นไหลาตายมากที่สุดแต่เขาไม่ฮือฮากันเฉยเฉยหนังสือเพียงพาดฮวักข่าวมากแล้วตั้งแต่ปีกายนู่นปีก่อนนู่นปีนี้ยิ่งมากขึ้นประเทศใดที่เจริญมีความโลภมากประเทศนั้นไหลายตายมากชาวญี่ปุ่นเป็นโลกปกกรบไอย อ, อ โรคภาษาญี่ปุ่นว่าโคริด๑๙โควิด๑๙ไปว่าไหลตายหมอภาษาบานทงหลตายโอคง่ายๆว่าตายเพราะความเครียดตายกระทันหันภาษาฝรั่งว่าบอกบริบาบโอกเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นตายมากด้วยโรคอันนี้ตายเพราะความเครียดตายกระทันหันตายเพราะงานหนักเพราะเต็มไปด้วยการแข่งเล่นจริงดีจริงเด่นฝังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน มันลามปามมาโสบ้านตัวเมืองของเราเมืองอีสานของเราไดนี่แข่งกันไปเมืองนอกแข่งกันมีแข่งกันเป็นแข่งกันมีโทรทั์แข่งกันมีพัดลมแข่งกันมีรถไถนาแข่งกันมีรถอีแตนไม่มีเงินก็เอานาไปจำนองได้เงินแล้วก็เอามาซื้อแล้วก็หมุนทีนี่นอนไม่หลับ ขสัระสายให้จังไดรเสด็จเงินใช้นี่ใช้สิ้นอ้าวนี้เพียงแข่งกันเป็นหนี้ใช้เถยดกอดไหลตายขนาดนี้ถ้าไปแข่งกันมีกันเป็นอย่างญี่ปุ่นปี น, นี้ได้กําไรร้อยล้านคนอื่นเ้าได้มากกว่าเราร้อยหสิบล้านสองร้อยล้านเราจะต้งเอาให้มันได้สามร้อยล้านเอาแข่งกันคนญี่ปุ่นทั้งคนญี่ปุ่นเต็มด้วยการแข่งขันสอบก็แข่งขันเดี๋ยวเนี่ยจะไปเป็นครูอ้าวรับทั้หนึ่ง100ร้อยคนเข้าไปสอบจัง สี่พันห้าพันคนเป็นหมื่นคนระบบเพียงการแข่งขันที่มันบีพั้นประสาทก็เลเกิดโรคโคราชิตายกะทันหันบล็อกโอเดบ่ายออกตายด้วยความเครียดด้วยความเก่งนอนหลับตายไปเลยเจ็บใจไม่ได้พักผ่อนกายไม่ได้พักผ่อนกว่าจะรู้ว่าพักเก่งตายไปเลยเนี่ยนี่ความร้อนของโลกก็สูงขึ้นเพราะสารพิษต่างๆที่เราเผาไหม่เข้าไปในอากาศนั่นทาให้โลกนี้มีความร้อนสูงขึ้นผิดปกติ มันมีความร้อนสูงกนเลือดมันก็นไลลเวนชีแรงความคิดทางจิตทางใจอุณหภูมิทางจิตใจคิดมากก็เพื่อทําำยังไงเราจะได้ทำยังไงเราจะมีเหมือนคนอื่นเขาทำยังไงจะใช้นี่อันนี้หมดไปแล้วจะมีอย่างโ น, น้นที่จนนอนไม่หลับโดยเฉพาะผู้ชายที่ทำงานหนักเป็นหัวจักของขอบครัวเนี่ย ทำงานหนักทางกายหนักทางใจเอามาคิดทำยังไงเนอะลูกของเราจะเป็นยังนั่นเมียของเราจะมีหนา้ามีตามีเครื่องหนุ่งหอมแต่งตัวมีทองมียองเมื่อชาวบ้านเอองา น, นก็หนักทางกายใจก็ยังคิดหนักหลับเขา้ากว่าจะหลับได้ใช้เวลานิดเดียวนะวันจะอ่อนเปลี่ยเพลียแรงก็เลยเกิดโคลาชิเหมือนญี่ปุ่นเออปอกกุิใบโอตายกะทันหันนี่ก็คือความโลก โลภะธรรมานังปริปันโทความโลภเป็นอันตรายแห่งทำทั้งหลายเทาเ่าผ้าผืนอินพรมเพี่ยนซอยได้บ่อทำเปม่ท่าพี่นองไล่ถิ่มหอมทำถ้าเอาสินเอาธรรมออกจากจิตใจมันจะเป็นอย่างนี้นะับวันที่จะไหลาตายเราให้ฟังต้นไม้ไหลาตายมาแล้วปาลาไหลตายมาแล้วนกนกปูปีนไหลาตายมาแล้วภูเขาใหไหลาตายมาแล้วเจาะภูเขาไปทําเมืองเพชรเมืองพอย ทางพงไผ่ปลาแปนตายเกี่ยงอาเกล่อมข น, น้านนั่นเนื่งนี้ชัดถึงเน่าอยู่หน้าผ้ากันดินดันตายผู้ใหญ่ผ้าแผนหลานตัวเตีย้ยตำ่ำตู้ภูเขาใหญ่ใหญท ล, ลายราบพนาสูนเพราะการกระทำของมนุษย์ศิวหอย่างแต่คนแต่ภูเขาก็ไหลาตายแล้วคนหลังจะทําเป็นยังไงมันไหลาตายได้ส บ, สบายสบายถ้าไม่มีศีลมีธรรมถ้ามีศีลแล้วฝังลักมันให้ล่มตีหอยหาถอดเสนอถึงเงี้ยน่ะมึงลมเชิญตายได้อย่างสบายเซามีเฮง ถ้าเราได้ทำคุณงามความดีไว้พร้อมประโลกที่ดีงามก็รอคอยจิตเตอสังกิริเตศุขติปฏิกังขาเมื่อจิตไม่เศร้ามองแล้วสุขติเกาะเป็นอันต้องหวังสุปแปวดีงามง่ายคติไปว่บไปไปว่บถึงสุขติไปแ่าไปสู่ที่ดีที่งามที่ง่ายตั้งแต่ยังไม่ตายนะอยากเขาจวัดตายแล้ว ตังแต่ยังไม่ตายมีสุขติมีทุกคติเดี๋ยวนี้เราไม่เข้าใจไม้เข้าว่าสุขติไม้เข้าว่าทุกคติใครจะไปหันไปนีโอ้ยไปเถอะไปปฏิบัติธรรมอาจารย์สมภพท่านจะพาปฏิบัติการวัดเขื่อนที่ท่านอาจารย์สมภพจะพาปฏิบัติธรรมวันวิสาขาบูชาเห็นว่าเพิ่งจะพาอดเขา่ายี่สสี่ชัวงวง่วโมงบูชาพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาหว้าฮิตายคคักจ้างก็บอไปตัง จะไปทำไหมจีตมันยังไม่จ่มใสมีแต่ความเศร้าหมองทีนี้ถ้าเกิดจิตมันเศร้าหมองมาไปไหนมันก็กลัว สมว่าขับรถไปตามถนนหลาดยางนี่เตจแอร์ยังเกือแตกออกเป็นเม็ดๆไปสู่ทุกขติพดในลกนั้นในรถนั้นบรรทุกกัญชาในรถนั้นบรรทุกยาเสพติดในรถนั้นบรรทุกเอาอาวุธสงครามจะเอาไปขายอย่างนี้มันมีจิตใจไม่บริสุทธิ์จิตเตะอสังกิริเทจเตสังกิริเทศุกติปฏิกังขา้ามเหรอจิตเศร้ามองเลว ทุกขติก็เป็นอันต้องหวังคือการไปชั่วไปทุกไปยากไปลําบากเห็นตํารวจตั้งด่านเขายังบาจับซ้าดอกจอดมือสั่นจอกๆๆๆจอกจอกจอกตีนสั่นเลนปานเฮือไ้ายใครหยดนั่นเรียกว่าทุกขติเลี้วไปทําบุญซุ้นตะลทานติดทองธรรมจักไปปฏิบัติธรรมหนุ่งเ้าหอมเขาสมาธิภาวนาวันละห้าหกจุดมงกินข้าวเวลาเดียว นั่งก็ไปเต็มคันรถเหมือนอาตอมาพาพี่น้องไปที่อุบลราชธานีหกคันรถบาทตำรวจที่ไหนเห็นเขาทำไปไหนปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ปฏิบัติธรรมโอ้ยสาธุได้บุญลหลายๆเดอ้อเพราะไงไม่ไงพากันไปนี่เขาก็ลบมือซ้าตำรวจเขาก็กดีใจผ่านนางแกก็เปิดผ่านนิคมคําซอยเปิดอํานาจาเจริญเปิดตำรวจํานี้เห็นมีเด็ดชื่นชมสาธุ ก, การไปเอาบุญนั่ น, หนเห็นไหมล่ะสุ ข, ขัดิต สู้ไปแบบนีว่างงามว่งาง่ายคติไปว่าไปดีไปงามไปงไ่ายอไม่ต้องตายเดียวนี้ตัะงป็นเป็นไปไหนก็ อ, อยากไปไหนก็ลำบากไปไหนก็เล็วซามเพราะการโกเวนสร้างกำไปด้วยความใหม่บริสุทธิ์ตายพุทธไปตกในโลกแหละพิ่นี่ก็เลยย่านบอ่อยากตายกัน ชีวิตของ ม, มนุษย์นั้นมีความตายเป็นที่สิ้นสุดประเทศใดที่จเจริญทางอุตสาหากรรมเจริญด้วยการแข่งขันเจริญด้วยความยากได้ยากนี้ประเทศนั้นจะไหลตายเร็วที่สุดเรายังไม่รู้พึงจะมาเตือนกันเดียวนี้ว่าไหลตายหลายตายประเทศญี่ปุ่นไหลตายมา ก, ก่อนแล้วแล้วกันเดียวนี้ไหลตายหนักขึ้นโคราชิป๊ราะกุริบายโอตายกะทันทันตายเพราะความเครียดเพียงแต่เขาบอว่าไหลตายเท่านั้นเขาบอกเป็นภาษาเขาบ่าโคราชิาว่าเพราะกุริบายโอฮวาจังสิ ขังเขาวาไหลตายโว้ยเะไดงินแต่เงิงเดียวนี่นะับวันจะไหลตายแหละความร้อนในโลกก็ะทุ้งขึ้นน้ำในทะเลขั้วโลกเหนือพุดมันละลายจากน้ำแข็งทำให้สูงขึ้นสูงขึ้นเกาะญี่ปุ่นอีกหน่อ ย, น, อยน้ำก็จะท่วมตายหมดก็เลยวาดตัวกันยิ่งพยายามที่ล้รให้มีเงินมากๆจะได้ห น, นีไปซื้อที่ดินอยู่ที่อื่นต่อไปประเทศไทยจะมีแต่คนเมืองนอก มาซื้อไห่ซื้อนาขคกบาสกีกระจายขคกทิ้นแฮบ้าสดินทรายอะไรต่างๆราคาถูกๆเขาจะมาซื้อเอาเขาหย่านตายอยู่บ้านเขาหย่านไหลาตายเขาจะมาอยู่ประเทศไทยแต่ประเทศไทยไหลาตายตำบมกหูติ่งกินเอาใหมา่นมาทาเป็นหู บ, บักเพอร์เวอร์ติดไวอ้อยขายขี้หนาอับอายนี่นาะเป็นเครื่องวัดจิตใจว่าเรายัง ไม่รู้เดียงสาในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่อุตส า, าสนมาอย่างดีปะหุเวสรนังยันติปพัตตาในวันนัน้นจะอาลามลุกัดเจติยามนุสตาพยาตัิสิตามนุษย์เป็นอันเมื่อเมื่อถูกภัยคุกขามย่านตายมาถึงแล้วก็เข้าไปถึงกูเขาบังป่าไม้บั ง, บงเจ้าถุงเจา้าทาเจ้าป่าเจ้าเขา ให้มาช่วยเหลือในตังโขสระนังเข้มังเนตังสระนังมุดทมังเนตังสระนังมาคา ม, มัสปะทุคาปะมุตตะตินั่นไม่ใช่สารณ ะ, ะอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากทุกได้เดี๋ยวนี้ใจก็ยังทุกข์ ยังไม่ตายก็ทุกเลี้ยวเพราะมันไม่มั่นใจท่านจึงบอกว่าโยจะพุททันจะทรมันจะสั่งคันจะสน้างนังขโตจะตารีริยาัจาริสมมปัญญาญปัตติคอภัยพูดด้วยความเร็วสูงจางมันงดเวลาสะก่อนทูรใดเข้าถึงพระพูดพระทมประสองพระพูดคือความรู้พระทมคือความ บริสุทธิ์ประสงค์คือความสมัครสมันสามคัคคีมีความรู้มีความดีมีความบริสุทธิ์สามัคคีกันดีในสันงคมบ้านเมืองแม้เอารัดเอาเปรียบกันนั่นแหละคือการเข้าถึงประพุทธประทมประสงค์มีจิตใจสะอาดนั่นคือความบริสุทธิ์ของพระธรรมมีจิตใจสว่างคือสติปัญญารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้กา ร, ร, ารเวลาสังคมบุกประชุมชนมีจิตใจสงบ จิตใจมีสมาธิไม่บอกระแวกไม่พอเบาแพ่แบวนกดห่องบันไดบวาดีชนี่ห่องบันไดบวาม้วนผูมีบุญเกิดขึ้นตรงไหนแม่ได้ตื่นเต้นโตกตาภาษีอานเกิดขึ้นตรงไหนไวยผีแม่ม่ายเกิดขึ้นบนไดบอมียัติมีคุณงามความดีมั่นใจตนเองอย่างนี้เขาเรียกว่ามีจิตใจสงบมั่นคงแล้วก็เห็นอริยสัจอันประเสริฐด้วยปัญญาอันชอบทุกขุนทุกขศุนปาทางทุกขศัจจานิกำมั่ง เห็นมาสิ่งนี้คือเหตุนี่คือทุกนี่เห็ุนี่เกิดทุกนี่คือความดับลงแห่งความทุกนี่หนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกอริยมัติมีองค์แปดมีความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อสิ่งต่้งหลายดำปฏิปรารถนาอย่างถูกต้องประพฤติปฏิบัติตนกายวานจา ร, รียกว่านำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง มีคําพูดจาที่ถูกต้องมีการปฏิบัติถูกต้องเลี้ยงชีวิตถูกต้องผ่าเพียนพยายามอย่างถูกต้องไม่จะผ่าเพียนพยายามทําชั่วแต่ผ่าเพียนพยายามทําความดีผ่าเพียนพยายามละความชั่วผ่าเพียนพยายามรักษาคุณงามความดีไว้ในกายในใจให้นานๆไม่ตกเป็นทาสของความชั่วอย่างนี้มีสติอย่างถูกต้องรู้ตัวอยู่ทุกเมื่อ มีคาถาดีเทวคเตสิคเตสิกิงกรนาอหังปิตังชนามิชนามิมีสติอย่งถูกต้องทันทําะอะไรทันทําะอะไรเรารู้เรารู้เร า, าทําอะไรเราก็รู้อันนี้เรียกว่าคาถากันไหลตายคาถาตว่าผีนอนหลับตื่นขึ้นมาก็ใส่คาถาคเตสิคเตสิตสกิงกรนาอหังปิตังชนะมิชนามิแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันจะบกขัง พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่เปิดเผยแล้วไม่ดีอยู่สองสามประเภทหนึ่งมนคาถาเปิดเผยมาเข้าใจความหมายและพัสสะวาบอดีสองผู้หญิงขาไปเที่ย ว, เ ป, เ, ยวเปิดเที่ยวแบอยู่เรื่อยมันกับบอดีพระพุทธเจ้าขวัญมีความชั่วเปิดมาให้คนรู้และมันเหม็นอย่างไม่ดีเปิดตามอันอนี้ไม่ดีเลยพระพุทธเจ้าขวัยสิ่งที่เปิดเท่าไรยิง่งดีคือธรรมะยิ่งเปิดให้คนรู้ทั้งบ้านทั้งเมืองอย่างที่กําลังพูดเปล่าอยู่นี่ยิ่งดีใจเลย ธรรมาทําให้คนมีหูมีตาสว่างสวัยรู้จักเส้นทางในการดําเนินชีวิตปกปิดไว้ไม่ดีถ้าปกปิดธรรมะไว้ไม่ดีเพราะเหตุ น, นั้นอาตมา ก, ก็เลยต้องไปเดินทางเดินแล้วเป็นหมื่นๆกิโลไปเที่ยวเปิดเผยธรรมะแจกของส่องตาเกียงสามตายแล้วจะไดเเ้เสาร์มีแฮีงบุญญาญาตผีไม่หมายดอกพระอริยเจา้าพระอรหันต์ท่านก็ตายเป็นเหมือนกันพระพุทธเจา้ทาทั้งกับแปดสิบปีหนึ่ง จะเอาอยัางมาถากันไว้พอเหตุนั้นถ้าหากเรารู้จักตนเองอย่างทราบซึ่งเขาออกเข้าใจในวิธีทางแห่งการดำเนินชีวิตขอดีคิดดีทำคำาทศกาวเป็นชาวพูดกันถ้าจริงๆจังๆอะไรจะเกิดซึ่งจะต้องมาหวาดกลัวมันอะไรอั ป, ปมายุมนุ ษ, ษานา ย, นนย์สานังฮิเรยานังสปอยโสชีวิตของโหมกมนุษย์นี้น้อยนะัก เราพูดไจากั้งมวาอย่างนี้ชาลาบิบุนังปตวาเอวังธรร ม, มาฮิปานิโนแม้จะอยู่ได้ถึงชาลาก็ตตองตายเพราะชีวิตสัตว์ทางลายยอมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดายมกังนัมรูปปัญจอโอมโพอันโยยะนิสติตาเอกสมิงกุจมารสิงอโอมโพฮิจันติปยาติร่างกายจิตใจรูปกำนามอาศัยกันอยู่เมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายมันก็จะตายไปแตกสลายไปด้วยกันว่าตองหยาดไหลาตายสัมไงแม่ไหม จะมาเอาไปทำผัวผู้หญิงก็ตายเป็นเหมือนกันเกิดท่าไห่มันก็ต้องตายอุภูปุญนจะบาปมจะยังมจกุรุเตอิทะผู้ที่ตายไปทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นย่อมติดตามเขาไปยันจะสะอนุขังห้ติชายาวอนุขาจิ บุญบาปนั้นจะติดตามเข้าไปเหมือเนเงาตามตัวเขาเช่นนั้นเดี๋ยวนี้เราเกิดมามีบุญอย่างไรมีบาปอย่างไรสร้างไว้อย่างไรก็ติดตามมาจะให้ไหลตายก็เป็นเรื่องของไหลตายได้ทําอะไรไว้แต่ก่อนนั้นทางหลายลองคิดดูโลกนี้สัตว์โลกทางหลายย่อมเป็นไปตามกรรมเพราะเหตุ น, นั้นต้องเข้าใจในเรื่องราวนี้ให้ได้อายุของมูมนุษย์นี่น้อยให้รีบสร้างคุณงามความดีเจริญยาธิตาสีโซวรรณติมัจจุสนาคาโยพึงรีบกระทาตนเหมือนคนถูกไฟไหม้บนศีรษะ ันไฟไม่หัวเนี่มันจะไปเหตอย่างใดค่ะมันบริบบอบไปซะก่อนเห็นไหมล่พะพอบอกความแน่ไม่ซึ่งมาเอาญาตตายเฝ้าเขาวัดขาวานั่นแหละไฟไม่หัวไฟแห่งความโทุกไฟแห่งความสถานญาตกลัวไฟแห่งความญาติตายหัวอย่าเฝ้าตายเลยใคยได้กินเราจะกรงกรนให้ใคยได้ฟังเทศจะ ก, กันให้ใคยได้ทำบุญก่อนไม่ได้ในฮินโอสังครันเตนามห้าเสเนนามัตุนาไมมีใครสามารถพัดเพียยกับพญามัจจุราชผู้มีเสนามมากได้ เพรเหตุหนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้รีบสร้างคุณงามความดีกิดอันใดที่ควรกระทําทําไว้ก่อนสร้างคุณงามความดีเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมกายไว้ก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแรงเตรียมแบงก์ก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้ไหนไหนก่อจะตายไม่ใช่มานอนรอถ้าตายตายแล้วก็เกิดเกิดแล้วก็ตายตื่นขึ้นแล้วก็หลับหับแล้วก็ ต, กต e กื่นทุกคืนค่าที่เรานอนหลับนั่นคือมันตายน้อยตยื่นขึ้นมามันก็เกิดอีกนี่มันตายน้อยมันเกิดน้อย เกิดมาอายุหกสิบเจ็ดสิบปีถ้าเอาความนอนหลับมาต่อกันคนหนึ่งหลับเป็นสาวปีสามสิบปีพนนั่นคือตายน้อยหลับไปแล้วบ่ตอกยานตายบ่ย่านผีเหม่่ม่ายบ่เป็นหนีบเป็นเซ็นใครทั้งนั้นแต่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เกิดต่อเป็นทุกต่อตายจริงจริงที่นี่นไม่ไม่ไ ม, ไม่ลุกขึ้นมาเลยก็เอาไปเผาแล้วก็มาเกิดใหม่และสร้างคุณงามความดีอะไรไว้พระพุทธเจ้ทาท่านเปรียบเหมือนกับต้นไมย้ยาทาพิอัญญาตลังพิชังเทเตบุตตังมิรูคติ เหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปฐวีละเชิงจะอาครรมะสนเนหัน จ, จะตะทูปยาัญาด้วยอาศัยรดแห่งแผ่นดินและเชื่อในยางแห่งพืช น, นั้นๆมันก็เกิดขึ้นได้เชื้อในยางของมันก็คือความหวานความส้มถ้าต้นมันหวานลูกของมันออกมามก็หวานถ้าต้นมันส้มลูกของมันออกมาก็ส้มแต่มันติดมาจากต้นของมันนี้ก็เหมือนกัน ชีวิตที่สร้างแต่คุณงามความดีมันก็มีแต่ความหวานชื่นถ้ามีแต่ความชัว่วมันมีแต่ความขืนความขมตั้งแต่ยังไม่ตายมันก็ตกนรกมันหวาดกลัวต่อความตายไปแล้วพอเหตุนั้นพระพุทธศาสนาจึงกล่าวว่าอเชวะกิจมาต๊ะปังโกชัญญามรังโสเวคุณงามความดีเป็นสิ่งที่จะต้องทําในวันนี้ใครจะร่วงรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ เราไม่สามารถพัดเพียนต่อความตายจะไหลตายคืนไหนก็ไม่ทราบละแต่สิ่งที่ทําได้ปัจจุบันคือสร้างคนงามความดีถ้าหาไม่มีความดีไว้เลยมันก็หวาดกลัวต่อโลกไี่หวาดกลัวต่อโลกหน้ากันไปอย่างนี้ก็เลยไปหาปลาเค็คาเล็บแดงไปใส่เสื้ายกทรงดัดผมสื่อสินมานุ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเลยขอให้สร้างคุณงามความดีให้มั่นออกมั่นใจในชีวิตของตนเองคะเตสคาเตสิอินตระนัง อหางปิดตังชนามิชนามิท่านทําอะไรท่านทําอะไรเรารู้เรารู้เราทําอะไรเราก็รู้รู้รขอ้อเท็จเราคิดรู้กิจที่เราทํารู้คําเท็จเรากล่าวคนอื่นจะมาหลอกลวงเราก็ไม่ได้ใครจะมาหลอกขายยาทาเล็บให้เราก็ไม่ได้มาหลอกให้เราไปนุ่งเส้นงก็ไม่ได้หนักหเข้าบางแห่งเมียบังคับในผัวนุ่งโอ้ยเถ่าเกือบตายเราคอยมาสินุ่งสิงป่าว่ะไปกุ้มให้ในผีแม่ไม่อยู่ในเรือนนี่ยิ่งหนักกว่าแม่ไม้ที่ยังไม่เห็นตัว เพรเห็นนั้นท่านสาธุชนทั้งลายกางกล่าวทํำมิกระทันในวันนี้ก็ขอยุติลงเพียงแค่นี้ขอสรุปความว่าเดี๋ยวนี้ต้นไม้ก็ไหลตายยืนตายตายสักเตียนโลกภูเขากอไหลตายสูงสูงถลายผู้ใหญ่ภาพแผ่นหล่อมทะไล่ผู้ใหญ่ภาพแผ่นหลานทะไล่หล่มลาวเรียนสัตวาวาสิงห์กุ่ห้อยปูปลากรอบพากันไหลตายทําไมคนจะไม่ไหลตายได้บ้างเพราะคนสร้างเวทสร้างกรรมเผาตัวเอง ถ้าหามีสินมีธรรมมั่นใจในการดำเนินชีวิตใหม่เหน่าในเปียกแชะเปียกจืดในการประพฤติปฏิบัติมันก็ดีก่็งามผู้มาตายเดี๋ยวนี้ไปสวรรค์เดี๋ยวนี้อ้าขอจิอตเพียงเท่านี้ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านต่างร้ายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิด